เมื่อต้องประสบกับทุกขเวทนาก็ไม่สามารถที่จะทนได้ทั้งต้องการจะให้กายใจนี้ได้พบกับสุขเวทนาเช่นที่เป็นกามาสุขทั้งหลายก็ทำไม่ได้เหล่านี้เป็นต้น จึงทให้ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือว่าปฏิบัติได้ก็ไม่เต็มที่ต้องคาดตกบกร่องก็เพราะกายและใจอันนี้นี่เองเมื่อเป็นดังนี้ ขันคือกายใจอันนี้ก็เป็นมานต่อการที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าพระธรรมวินัยก็ได้ทำให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้บรรลุถึงสันติของใจไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าสามบรรชนทั้งปวงนั้นยังมีความยึดถือขันหรือกายใจอันนี้ว่าเป็นตัวเราของเราฉะนั้นจึงเรียกว่าอุ ป, ปานานขันขันเป็นที่ยึดถือ ว่าตัวเราของเราเมื่อมีความยึดถือดังนี้นอกจากไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมวินยัยหรือศีลสมาธิปัญญาได้ดังกล่าวมาข้า้งตนแล้วยังไม่สามารถที่จะ ได้ศรัทธาความเชื่อได้ปัญญาความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าขันทั้งหลายคือกายใจนี่เป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นทุกขะเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้ตองแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตน ไม่สามารถที่จะเชื่อไม่สามารถที่จะรู้รับในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เพราะว่าขัดต่อความยึดถือของตนที่ยึดว่าเป็นตัวเราของเรารั้นเมาสดับว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็ทำให้ไม่เกิดความเชื่อไม่เกิดปัญญา ที่รับรู้เพราะฉะนั้นขันเป็นที่ยึดถือนี่เองจึงเป็นมารขัดขวางต่อการที่จะละกิเลสและกองทุกได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าอุปาทานความยึดถือ การทำให้ขันเป็นอุปาทานขันดังกล่าวมานั้นก็เป็นตัวกิเลสนั่นเองอุปาทานก็เป็นตัวกิเลสและอุปาทานนี้ก็เกิดสืบมาจากตัณหาคือความวิ่นร่นขยานหยากการสืบเนื่องมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อชี้เข้ามาโดยตรงแล้ว ก็คือตัวกิเลสนี้เองที่เป็นตัวมาจึงแสดงกิเลสสมานเป็นข้อที่สองกิเลสเครื่องสมองของใจนี้ก็ตั้งตนแต่อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงแล้วก็สืบมาเป็นตันหาความริ้นดนทยันอยากเป็นอุปาทานความยึดถือ และเมื่อแสดงออกไปโดยอาการต่างๆก็เป็นราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้โทสะความโกรธแค้นขันคืองโมหะความหลงเป็นต้นก็เป็นกิเลสทั้งนั้นกิเลสเหล่านี้เองเป็นตัวหมานที่เป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้การปฏิบัติประธรรมวิบิย หรือศินสมาธิปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์จากกิเลสเพื่อความทุกข์นั้นเป็นไปได้และกิเลสนี้เองที่มารังควานอยู่ในจิตใจของบุคคลได้ก็เพราะจิตใจของบุคคลนี้เองรับกิเลสเข้ามา ปรุงแต่งจิตใจให้คิดไปเจตนาจงใจไปในทางดีบ้างในทางไม่ดีบ้างในทางที่เป็นกลางกลางบ้างอันเรียกว่าอภิสังขารคือความปรุงแต่งใจ เพราะใจหรือจิตนี้เองยังมีราคะคือความติดมีความยินดีอยู่ในกิเลสยังติดกิเลสเพราะฉะนั้นจึงรับกิเลสเข้ามาเป็นเครื่องปรุงจิตใจใน อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายคือรูปที่เห็นทางตาเสียงที่ได้ยินทางหูกลิ่นที่ทราบทางจมูกรสที่ทราบทางลิ้นผลพระสิ่งถูกต้องที่ทราบทางกายและธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายที่รู้ทางใจกิเลสก็ปรุง สิ่งเหล่านี้ความปรุงแต่งดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าพิสังขารเป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วคดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกลางกลางบ้างเพราะฉะนั้นความปรุงแต่งนี้เองเป็นตัวจึง เ, เป็นตัวมานที่สืบเนื่องมาจากกิเลสคนเราไม่สามารถ จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาหรือในพระธรรมวินัยได้ก็เพราะว่ากิเลสเหล่านี้คอยปรุงใจอยู่โดยอาศัยอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นก็ให้บังเกิดกิเลสทับถมเข้า้าอีกและเมื่อใจปรุงอยู่ดังนี้ก็ปรากฏเป็นความทุ่งสร้างไปต่างๆ จะปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ก็ปฏิบัติไม่ได้จะทําสมาธิก็ทําไม่ได้จะปฏิบัติทางปัญญาปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องสงบเครื่องปรุงใจให้ได้คือสงบกิเลสอารมณ์ในใจได้นั่นแหละจึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้เพราะฉะนั้นความสําคัญจึงมาอยู่ที่ว่าใจนี้เองรับเอากิเลสเข้ามาปรุง รับเอาอารมณ์เข้ามาปรุงเพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าอภิสังขารมามที่บังเกิดอยู่ขึ้นอยู่ในจิตใจของบุคคลและในการที่เป็นไปดังนี้จึงทำให้บุคคลต้อง เวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่สิ้นสุดไม่สามารถจะพ้นจากเวียนความเวียนไหวตายเกิดได้และแม้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่แต่ทุกคนนั้นก็มักจะไม่นึกถึงเกิด แต่ว่ามักจะนึกถึงก็คือตายและมา น, นึกถึงขึ้นมาแล้วก็กลัวตายเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นมรรณะภัยภัยคือความกลัวแต่ความตายจึ่งแสดงว่าเป็นความรู้สึกประจําจิตใจของคนทั้งหลาย อยู่ทั่วกันและความตายนี่อันที่จริงก็เป็นธรรมดาของสังขารแต่ว่าบุคคลเมื่อมีความยึดถืออยู่ในชีวิตเป็นตัวเราเป็นของเราหรือในขันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็ไม่ต้องการที่จะแก่จะตาย เพราะฉะนั้นจึงต้องกลัวตายเพราะไม่อยากจะตายเห็นความตายว่าเป็นเครื่องทาลายและความตายนั่นอันที่จริงก็เป็นเครื่องทาลายชีวิตจริงๆเป็นเครื่องทาลายที่มองเห็นกันอยู่บุคคลที่ควรจะบรรลุประโยชน์อะไรได้ต่อไปอีก แต่ต้องตายเสียก่อนก็เป็นอันว่าขาดประโยชน์ที่จะบรรลุได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าจะตรัสสอนปฐมเทศนาแก่ท่านอาจารย์ทั้งสองคือท่านอาลารดาบดและท่านอุทกดาบดว่าเป็นผู้ที่สมควรด้รับปฐมเทศนาได้ พระเสด็จไปโปรดท่านก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าก็สงทราบว่าท่านทั้งสองนั้นได้ถึงมรณภาพไปเสียก่อนแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงหมดโอกาสที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมนี่ความตายเป็นเครื่องทําลายชีวิตการเรียกว่าเป็นมานอย่างทั่วไป แต่อันที่จริงนั่นก็เป็นธรรมดาของชีวิตของสังขารทั้งหลายต้องเกิดก็ต้องตายพระพุทธเจ้าได้ทรงพ้นจากความตายดังที่เรียกว่าบรรลุอมตรธรรมเป็นพุทโธขึ้นเป็นพระผู้รู้ก็โดยที่ได้ ได้ตรัสรู้เห็นในคติธรรมดาของสังขารทั้งหลายว่าต้องเกิดต้องดับหรือต้องเกิดต้องตายเพราะฉะนั้นจึงทรงวางตัญหาวางอุปาทานในขันได้ในชีวิตได้ฉะนั้นจึงทรงพ้นมัจจุมนแม้ว่าพระสรีระสังขารของพระองค์ จะต้องดับขันดังที่เรียกว่าสามันที่เรียกตามสามัญว่าตายแต่พระองค์ก็เป็นผู้ที่ไม่ตายเพราะเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่ปล่อยเป็นผู้ที่วางแล้วขันหรือชีวิตที่ต้องตายนั้นไม่ใช่เป็นของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ต้องตายเพราะว่าสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่เป็นของพระองค์แต่เป็นของโลก เกิดขึ้นในมารในโลกปรุงแต่งขึ้นในโลกแล้วก็ดแดกสลายไปในโลกพระองค์เป็นผู้ที่พ้นจากโลกแล้วเป็นพ้นที่พ้นจากความคิดถือแล้วพระองค์จึงไม่ใช่เป็นผู้ตายสิ่งที่ตายนั้นเป็นขันไม่ใช่เป็นพระพุทธเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นมารของพระองค์แต่ว่ายังเป็นมารของบุคคลทั่วไป ยังมีความยึดถืออยู่และนอกจากมีความยึดถืออยู่และยังมีความกลัวตายดังที่กล่าวมาแล้วคนสามัญทั่วไปยังต้องการยังปรารถนาที่จะไม่ตายโดยที่ไม่ตาย ในภาวะเป็นมนุษย์นี้ก็าตายหรือว่าไม่ตายโดยไปเกิดเป็นเทพที่เข้าใจยึดยึดถือกันว่าเมื่อเป็นเกิดเป็นเทพแล้วก็เป็นอมอนรเนืออมระคือเป็นผู้ที่ไม่ตายก็คงอยู่เป็นนิแดนดอนเพราะฉะนั้นจึงมุ่งที่จะ ไปเกิดเป็นเทพที่เป็นอมรรุคือเป็นผู้ที่ไม่ตายดังที่กล่าวมานี้กันอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นความที่มุ่งไปเกิดเป็นเทพแม้ที่กล่าวมานี้ก็เป็นมารอีกเหมือนกันคือเป็นเครื่องขัดขวางโัวการปฏิบัติพระธรรมวินัยเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกเพราะเหตุว่า ความเส้นกิเลสกองทุกในพุทธศา ส, สนานั้นต้องการที่จะต้องดับชาติคือความเกิดเมื่อดับชาติได้ก็ดับชรามรณะและทุกต่างๆได้เมื่อยังดับชาติคือความเกิดไม่ได้ก็ดับทุกคือชรามรณะและทุกต่างๆไม่ได้ฉะนั้นเมื่อยังต้องการไปเกิดเป็นเทพอยู่ นั่นก็เป็นชาติคือความเกิดเพราะฉะนั้นเทพชนิดที่เป็นอมรคือไม่ตายนั่นจึงไม่มีตามหลักแห่งพุทธศาสนาเทวดาเมื่อมีอุ ป, ปบัติก็ต้องมีจุติคือมีเคลื่อนจากความเป็นเทพแล้วกไปเกิดตามกรรมสูงบ้างต่ำบ้างที่จะดารงอยู่เป็นนิรันดร์ไม่มีพระพุทธเจ้ารัสรู้ ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ประสงค์ความเป็นเทพแม้ท่านลาบ ท, ทั้งสองนั้นท่านก็ปฏิบัติในสบายบัตรของท่านเพื่อไปเกิดเป็นพร้อมก็เพื่อเป็นเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพอใจเท่านั้นไม่ต้องการธรรมะที่สูงขึ้นไป พ้นชาติคือความเกิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงพ้นทุกข์ไม่ได้แม้ในการต่อจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันคนเป็นอันมากัวยังมีความยึดถืออยู่เช่นเดียวกันว่าต้องการจะไปเกิดเป็นเทพหรือไปอยู่กับเทพที่เป็นอมรคือเป็นผู้ที่ไม่ตาย เพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องตัดทางสำหรับที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุความสิ้นทุกข์ทั้งปวงตามหลักพระพุทธศาสนาฉะนั้นจึงได้จัดมารข้อที่หคือเทพบทประมารมารคือเทพบุะบขึ้นอีกโดยความก็คือความที่ยังมีความมุ่งหมายที่จะได้ สวรรค์สมบัติหรือหากจะกล่าวร่วมก็มุ่งหมายที่จะได้มนุษย์สิทสมบัติด้วยหรือว่าสูงขึ้นไปกับสวรรค์สมบัติแต่ยังไม่ตรงการนิพพานสมบัติเป็นที่ดับชาติพบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นความต้องการเพียงเท่านี้จึงกลายเป็นมาร ทำให้บรรลุนิพพานสมบัติไม่ได้ฉะนั้นมานตามที่กล่าวมานี่จึงเป็นเครื่องทำให้เกิดเป็นเจโตขีละคือตะปูใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ก็คือข้อหนึ่งยังมีความเคลือบแคลนสงสยัย ไม่น้อมใจเชื่อไม่ลื่มใสในพระศาสดาสองในพระธรรมสามในพระสงฆ์สีในศีขาปฏิบัติเช่นศีขาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาและมีความโกรธมีใจที่ไม่แช่มขึ้น มีใจที่กระทบกระทั่งในเพื่อนสัพรมจารีทั้งหลายรวมเป็นห้าข้อนี่เป็นตะปูใจและอีกห้าข้อเป็นเจโตวินิพันธะหรือเพื่องผูกพันใจได้แก่การที่ยังมากอยู่ด้วยราคะความติดใจยินดีสทัศข้อหนึ่ง ข้อสองในกายของตนข้อสามในรูปที่เป็นภายนอกทั้งหลายและข้อสี่พอใจในการที่เอาแต่บริภอกและติดตุกจุนในการนอนในการเอนพักในการงีบหลับ พูดง่ายๆก็คือว่าเอาได้กินแลนอนอันเป็นข้อที่สี่กับอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่ห้าก็คือว่าประพฤติพรหมจรรย์อันได้แก่ปฏิบัติในตรจกิขาหรือว่า ร, รมเวไในนี้โดยปรารถนาเป็นเทพคือตั้งความปรารถนาว่าขอให้เรา ไปเกิดเป็นเทพชั้นนั้นๆหรือว่าเทพชั้นใดชั้นหนึ่งโดยอำนาจของศีลของวัดของตบะคือความเพียรของพรมจันท์ที่ปฏิบัตินี้ดังนี้เป็นข้อที่ห้าตปูใจห้าข้อและ เรื่องผูกพันใจห้าข้อนี้เป็นเครื่องขัดขวางต่อการที่ปัจจุ บ, ตบัติทํากิจให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายดับจากทุกข์ทั้งปวงให้บรรลุถึงสันติของใจที่รีวกว่านิพันธ์ดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องละเสียแล้วก็ต้องปฏิบัติอิธิบายคือธรรมะที่ให้ประสบความสําเร็จ ในการปฏิบัติประกอบความเพียรโดยต้องอาศัยสมาธิความตั้งใจมั่นจริงๆโดยมีชันทะความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะเอาใจใส่มีวิมังสาความเคร่ครวญพิจารณาในข้อวัตรปฏิบัตินั้นโดยที่ มีความพยายามอุตสาหะกันอย่างจริงจังในการที่จะละตะปูใจถอนตะปูใจออกเสียให้ได้ทั้งห้าคอที่จะเปรื่องเครื่องผูกพันใจให้ได้ทั้งห้าคอจะเริอิทธิบาตให้เต็มที่และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะสามารถละมารทั้งห้านั้นได้สามารถที่จะชําระ จิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายได้ดับทุกข์ทั้งปวงได้บรรลุถึงสันติของใจได้อันเรียกวันนิพพานต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจทั้งความสงบสืบต่อไปบัดนี้จากแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์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 หรือทำนั่นคือสัจจะคือความจริงซึ่งพระพุทธเจา้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงสั่งสอน แต่ธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นได้ทรงสั่งสอนจะเพาะที่ผู้ฟังซึ่งเป็นเนยะคือผู้ที่พึงทรงแนะนำได้จะพึงรู้พึงเห็นได้ และมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้และอาจที่จะทำให้ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ ปฏิบัติมันลุกถึงผลได้จริงตามคนที่ปฏิบัติกันเรียกว่ามีปาฏิหารคือทรงสั่งสอนได้จริง และปฏิบัติได้ผลจริงฉะนั้นจึงพึงเข้าใจคำว่าปาฏิหารในพุทธศาสนาว่าหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ตรัสสอนให้รู้ได้ให้เห็นได้และปฏิบัติให้ได้รับผลสมจริงได้คือได้รับผลที่เป็นประโยชน์เป็นสุขเป็นปัจจุบันบ้างเป็นภายหน้าบ้าง เป็นผลอย่างยิ่งให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงบงั่งลักษณะที่ตรัสสอนได้ดังนี้เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ คือได้ผลสมจริงเป็นเหตุกาจัดฆ้าศึกคือกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงได้จริงอันคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นแปลว่า ทรงไว้คือทรงตนเองหรือว่าทรงภาวะของตนไว้ได้มีความหมายเป็นอธิบาย ที่พระอาจารย์ได้แสดงเพิ่มเติมไว้อีกก็คือหมายถึงสภาพที่เป็นจริงดังเช่นที่ได้มีตรัสแสดงไว้ว่า ธรรมะเป็นกุศลคือส่วนดีธรรมะเป็นอกุศลคือส่วนชั่ว